เออบางพวกก็เจริญอะไรสัพเพสตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุกลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาอเวราหุนตัวัพิยาปชาหุนตัวอณิฆาหุนตัวสุขิอัตานังปริหารตัวเนี่ยนะก็นะสัตว์ทั้งหลายนะสัตว์ทั้งหลายปานะทั้งหลายผู้ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายผู้ที่นับเนื่องในอัตภาพทั้งหลายอเวราหุนตัวจะได้มีเบนเลย อ่ะนะอภิยาปชาโหนตัวจะได้เบียดเบียนเลยอนิคาโหนตัจะได้มีความทุกขเลยสุขีอัตนงปริหารัตโตบริหารตนให้เป็นสุขเธอเนี่ยนะก็จเจริญเมตตาไป น, นะปุรัตติมายาทิสายาทิตตะวันออกทิตตะวันตกทิศเหนือทิตใต้ทิตเฉียงเฉียงทั้งสทิศทิ ต, ทตเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยก็จเจริญไปอันนี้ก็เป็นเมตตานะแล้วก็ ถ้ามีพื้นฐานเจริญทั้งสี่กรรมฐานนี้เป็นหลักก็สามารถที่จะบริหารกรรมฐานให้อื่นๆต่อไปได้เพราะพุทธานุสติเนี่ยเป็นเจริญเพื่อกระตุ้นให้มีศรัทธายิ่งๆขึ้นไปเมตตาก็เจริญเพื่อกำจัดพยาบาทนิวรณ์เนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวว่าโทสะแล้วก็เจริญมรณะเพื่อกำจัดความประมาทกำจัดความปล่อยปละละเลยเนี่ยนะแล้วก็เจริญอสุภาเพื่อตัดอกุศลวิตตกมีการมวิตกเนี่ยนะ ตรงนี้ท่านเลือกตัวอย่างให้ดูคือเจตุธาตัววัฏฐานกรรมฐานคือในบรรดากรรมฐานเนี่ยท่านจะแสดงทุกอย่างแต่เนี่ยท่านเอามาเป็นตัวอย่างหนึ่งกรรมฐานหนึ่งกรรมฐานคือธ า, าตุกรรมฐานเจตุธาตัววัฏฐานวาฏฐานแปลว่าการกําหนดการกําหนดธาตุสี่การแยกแยกธาตุสี่การจําแนกธาตุสี่พิจารณาธาตุสจริงๆแล้วในคัมภีร์กล่าวถึงวิธีการพิจารณาประมาณสิบสาวิธี ประมาณ13วิธีแต่ทีนี้ไม่ใช่คัมภีร์สอนกรรมฐานโดยตรงละเอียดพิ่สรานแบบวิสุทธิมัตินะผู้ที่เรียบเรียงอัตตกถาที่เรากําลังเรียนอยู่นี้กับผู้เรียบเรียงวิสุทธิมัติคืออาจารย์เดียวกันคือพระพุทธโฆษ า, าจารย์เหมือนกั น, นท่านจะยกข้อความตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างรายละเอียดที่เหลือท่านบอกว่าท่านขยายพิสดานแล้วในวิสุทธิมัติเนี่ยนะนะทั้งสามนิสมาธินิเทศแล้วก็ปัญญานิเทศ อันนี้มาดูฟังดูเป็นเพียงตัวอย่างนะฟังเป็นฟังเป็นเพียงตัวอย่างไม่ใช่ว่าโหครบถ้วนสมบูรณ์แบบเทียบเพียงแต่ว่าให้เห็นแนวทางว่าพระปัจเจกกับผู้เทาเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านเจริญอย่างไรด้วยว่าภิกษุนี้พิจารณากายตามที่ดำรงอยู่นี่แหละกายนี้ตามที่ตั้งอยู่นี่แหละโดยความเป็นธาตุะนะมานสิการกรรมฐานโดยเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไว้ยอย่างนี้ว่า ธนะาตุใดซึ่งมีอาการแข่งแข็งมี20อย่างมีอยู่ในกายนี้ธาตุนั้นชื่อว่าปฐวีธาตุ20อย่างที่มีอยู่ในกายนี้ที่มีลักษณะแข่งแข็งผมคนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดแล้วนะลำะลำไส้ใหญ่ลำไส้เนอเออลำไส้ใหญ่ไส้รัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะ น้ำดีน้ำเลือดน้ำเส็ดน้ำหนองน้ำมันข้นน้ำมันเลี้ยวน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำตาน้ำมูกน้ำปัสสาวะเนี่ยนะลมพัดเอ่อธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายป่วยไข้ธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายซุดโทมธาตุไฟที่ช่วยย่อยอาหารลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงกล่ลงในช่องท้องลมในลําไส้ลมพัดทั่วสารพรางกายลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะ ธาตุดินเนี่ย20อย่างนั้นก็เน้นพษษิเศษคือทุกอันเนี่ยลักษณะแข่นแข็งแล้วแต่ว่าแข็งมากหรือแข็งน้อยแข็งมากเลยมีอยู่สองอย่างกระดูกกับฟันกระดูกกับฟันเนี่ยสองอย่างนี้แข็งกว่าเพื่อนนะที่เหลือก็แข็งน้อยน้อยๆลงแต่สรุปว่าในส่วนที่มันแข่นแข็งและก็ในส่วนที่เ อ, อิบอาบหรือเป็นของเหลวเนี่ยนะเ อ, อบอาบมีอยู่12อย่างในกายนี้แล้วก็ส่วนที่ถึงความอบอุ่นหรือไออุ่นไออ่นของธาตุสี่ประเภท ของเตโชธาตมีอยู่4อย่างเรียกว่าเตโชธาตส่วนธาตุใดที่ค้้จุนค้้จุนทรงไว้พัดไปมาเป็นต้นเนี่ยนะเคลื่อนไหวธาตุนั้นมีอยู่6อย่างธาตุนั้นเรียกว่าวายโยธาตส่วนธาตุใดที่มันถูกต้องธาตุใดไม่ถูกต้องมันเป็นช่องว่างระหว่างธาต เรียกว่าอากาศธาตุเช่นช่องหูช่องปากช่องฟันช่องคือที่มันเป็นช่องอ่ะนะช่องในช่องท้องมันมีจะช่องช่องช่องชงไอ้โพรงโพรงเหล่านั้นอ่ะเรียกว่าอากาศธาตุเนี่ยนะมันไถไม่ได้ทุกต้องไม่ได้เย่านั้นเขียนอะไรก็ไม่ได้ส่วนจิตที่เป็นธาตุรู้ตัวรู้อ่ะนะอาศัยธาตุสีแล้วรู้อาศัยธาตุสีโดยวัตถุและอารมณ์แล้วรู้ธาตุอันนั้นเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณนี่รวมทั้งจิตเจตสิกด้วยสรุปว่า ที่นั่งนั่งยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ก็คือธาตุหกประการธาตุสอากาศธาตุและวิญญาณธาตุสัตว์หรือบุคคลที่นอกเนื้อไปจากธาตุทั้งหกขามีไหมสัตว์หรือบุคคลก็คือกองแห่งสังขารคือธาตุเหล่านี้ล้วนๆเท่านั้นแหละธาตุเหล่านี้เท่านั้นแหละยืนเดินนั่งนอนที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่คือธาตุหธาตุดินน้ำไฟลมอากาศและวิญญาณอันนี้คือว่าเอาแต่ตัวใหญ่ หลักๆนะถ้ากำหนดใหญ่ๆได้ย่อยๆก็คงไม่ยากใช่ไหมไม่ยากสรุปว่ามีแต่ธาตุทั้งหกประการไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลเลยก็พิจารณาว่าเป็นเพียงแต่กองสังขาร ล, ล้วนแต่ในหลักการนี้เขาให้พิจารณาเช่นปฐวีธาตุโดยสมุทฐานสี่ต่อไปอีกนะอาโปธาตุโดยสมุทฐานสี่เตโชธาตุโดยสมุทฐานสี่วาโยธาตุโดยสมุทฐานสี่พิจารณาโดยอะไร อ, ะอย่างเช่นคาว่ามหาพูด ธาตุที่เป็นมหาพูดมหาพูดก็คือมหาวิการเช่นอะนัมหาวิการมหาพิหนา้านั่นแหละเดียวกันก็พิจารณาโดยนิยต่างๆเมื่อพิจารณาพร้อมทั้งโดยปัจจัยโดยสัมมสนญาณเป็นต้นก็พิจารณาทั้งแยกแยะสังขารพร้อมทั้งองค์ประกอบพิจารณาปัจจัยของสัพพสังขารเหล่านั้นพิจารณาคูณทั้งอดีตอน า, าคตปัจจุบันพิจารณารูปศัตตกะและอรูปศัตตกะเป็นต้นก็พิจารณาจนถึงเวลาได้เวลาบินทบาท ก็ลุกจากอาสนะนุ่งแล้วก็เข้าไปวินทบาทโดยนัยะที่กล่าวแล้วในตอนต้นแลเมื่อจะไปก็ไม่หลงงมงายเหมือนปุถุชนคนตาบอดคนบอดเนี่ยนะบอดใจอ่ะนะคนบอดทางใจนี่ก็หลงงมงายอยู่ว่าเราเนี่ยก้าวไปเราเนี่ยาาการก้าวไปเป็นต้นไหนของตนตนเป็นคนก้าวไปการก้าวไปเป็นของตนหรือเราย่อมก้าวไปเนี่ยการก้าวไปเนี่ยอันเราให้เกิดขึ้นแล้ว มีแต่เร า, เร า, เร า, เรามีแต่ของเรามีแต่อะไรคือไม่เคยแยกแยอะอะไรแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นพวดพราดลุกขึ้นแบบถามว่าเป็นยังไงอ่ะแบบปกติที่เราทําอยู่นั่นแหละที่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะโอ้รถตนเก้าไปเราก้าวไปก็คือเหมือนใครเหมือนกับที่เราจเจริญมาหลายหลายิปีเนี่ยนะชีวิตที่เราตื่นมา ก, ก่อนจะไปทำงานเนี่ยก็แบบนั้นมาตลอดเลยใช่หนั่นคือพื้นเพ แปลว่าไม่เคยจําแนกแยกแยะโดยกรรมฐานเลยคือไม่แยกแยะโดยว่าปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุทีนี้ก็ไม่หลงงมงายไม่ไม่เผลอว่าทั้งหมดนี้คือองค์ประชุมคือคือธาตุนะไม่เผลอเลยว่านี่คือองค์ประชุมของธาตุสีพอมนานสิการอยู่ซึ่งกรรมฐานอันบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงอย่างนี้ว่า ธาตุทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละประการบรรดาประการทั้งหลายมีการยก น, นะก็เริ่มเลยตั้งแต่ยกเท้าข้างหนึ่งเป็นต้นว่าสมมติว่าจิตนี้เกิดขึ้นขึ้นว่าสมมุติถ้าจะยกเท้าเนี่ยเริ่มไล่มณสิการคือพื้นฐานเข้าพิจารณาอย่างอื่นละเอียดอยู่แล้วเนี่ยพอยกเท้าปั๊บเนี่ยไม่หลงผิดเลยว่าความคิดเกิดขึ้ น, นก่อนว่าเราจะเข้าไปวาโยธาตพร้อมทั้งสะสัมภาระ ที่มีจิตเป็นสมุทฐานย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับจิตนั้นวาโยธาตนั้นก็แผ่ร่างแผ่ทั่วร่างกระดูกที่สมมุติกันว่ากายอันเป็นธาตุซึ่งสังสมมาจากปฐวีธาตุเป็นต้นวาโยธาต้นี้ก็ทําให้เคลื่อนเนี่ยนะสมัยใหม่นี้ก็คงอธิบายได้ไม่ค่อยยากในะทางการแพทย์อธิบายเรื่องว่าการขยับตัวมันเกิดจากกล้ามเนื้อตัวไหนมันหดตัวไหนมันคลายแล้วมันดึงไปยังไงอะไรยังไงเขาก็อธิบายได้อย่างแบบ ไม่มีสัตว์อยู่ในนั้นอยู่แล้วเนี่ยนะภาษาทางโลกก็ก็ถือว่าแตกฉานในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะสามารถที่จะมาเอ็กซเรชั่นมาสามารถที่มาใช้เป็นภาพอะไรได้หมดเลยบอกว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆเนี่ยนะอันนั้นก็กลายเป็นว่ากองแห่งธาตุที่รวมกันหมุนเวียนไปจิตเกิดขึ้นแพ่จิตชาวายโยธาจิตชาวายโยชาติก็ทําให้ยกกายเหล่านั้นให้เคลื่อนไหวดังที่ ที่เป็นไปตามแต่จิตประสงค์เนี่ยนะตามแต่จิตเป็นปัจจัยต่อจากนั้นร่างกระดูกซึ่งสมมุติว่ากายนี้ก็มีการก้าวไปโดยการแผ่ไปแห่งจิตตะกิรยะวายโยธาคือคิดแบ่งเป็น3อย่างนะในการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเนี่ยจิตจิตตชาวาโยธาตและกายเมื่อจิตเกิดขึ้นทําจิตตชาวาโยธาหรือที่เรียกว่าจิตตชรูปกายก็มีการขยับเ ข, ขยื่อนเคลื่อนไหวไปเนี่ยนะ เมื่อร่างกระดูกนั้นก้าวไปอยู่อย่างนี้ในการยกเท้าแต่ยกเท้าแต่ละข้างขึ้นบรรดาทาสี่เตโชทาาซึ่งร้อนก็เป็นไปตามวายโยทาาก็มีพลังยิ่งทาานอกนี้ก็อ่อนตัวคือขณะ ท, ที่ยกเท้าขึ้นเนี่ยนะท่าที่มีกำลังมากคือทาทาท่าไฟกับทตาลมขณะ ท, ที่ยกเนะแต่ในการนำไปนามาการนาออกไปเนี่ย วาโยธาที่พัดไปตามเตโชธาต์ก็มีกําลังเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกําลังคราว่าในการยกในการยกย่างย้ายสามคำเนี่ยนะยกย่างย้ายเนี่ยธาตุมีกําลังก็คือธาตุไฟธาตุลมนะธาตุลมเป็นไปตามธาตุไฟธาตุไฟเป็นไปตามธาตุลมเนี่ยนะก็ทําให้มันเกิดการยกย่างย้ายขณะที่ยนเหยียบยันลงขณะนั้นเนี่ยอาโปธาต์ที่ซึมซาบไปตาม ปฐวีธาตุก็มีกําลังยิ่งขึ้นเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนอนะก็คือเป็นความเป็นไปของธาตุสี่ในขณะที่ยกย่างข้างหน้าแล้วก็ย้ายเท้าบ้างแล้วก็ย่อนเหยียบยันเนีย่ยนะลักษณะนี้ก็เป็นการเป็นไปของธาตุทั้ง4ี่ประการที่เกิดจากวาโยธาตุเป็นหลักขณะที่คูกับเหยียดเนี่ยนะคูเหยียด ปัตตวีธาต์ได้รับการอุดหนุนจากอาโปธาต์มีกําลังยิ่งเกิดขึ้นธาตุนอกนี้ก็อ่อนกําลังลงธาตุเหล่านั้นย่อมแตกไปในที่นั้นๆ น, น, นั่นแลพร้อมกับจิตที่ตนเกิดขึ้นในนั้นในขณะนั้ น, น, นด้วยประการชนี้คือหมายความว่าเมื่อจิตเกิดขึ้นแผ่วายโยธาต์มีการขยับตัวคือมันเป็นระยะเวลาสั้นๆของแต่ละอย่างแต่ของสั้นๆมามาตตต่อกันมันก็เลยสัมพันธ์กันเป็นของ เน้อยาวอย่างที่เขาถามว่าเส้นตรงคืออะไรก็คือจุดเล็กๆที่เอามาเรียงกันนะเรียกว่า เ, เส้นตรงก็คือถ้าย่อเอามาแล้วจริงๆมันก็น ก, นก็คือจุดเล็กๆๆๆที่มาเรียงกันนั่นแหละเรียกว่าเส้นถนนก็เดียวกันถ้าเรียกว่าเป็นถนนคืออะไรก็คืออิฐหินปูนทรายเป็นต้นมาเรียงเรียงกันมันยาวก็เรียกว่าถนนเส้นยาวธาตุเหล่านี้ที่เป็นไปเนี่ยนะที่มีการขยับตัวก็มีจิต จิตชาวายโยแล้วก็แผ่กายนี้ไปก็ขณะสั้นๆจิตก็เป็นไปเรื่อยเป็นไปเรื่อยเมื่อจิตเป็นไปเรื่อยจิตชาวาโยก็เป็นไปเรื่อยกายก็สืบเนื่องเป็นไปเรื่อยเนี่ยนะก็มีการสืบเนื่องกันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นในธาตุทั้ง4นั้นมีใครอยู่ในธาตุสี่ไหมอ่านะธาตุสี่เป็นใครไหมใครเป็นธาตุสี่ไหมแบบธาตุสมีอยู่การประชุมของธาตุสีเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้น เพราะในท่าสี่เหล่านั้นก็คือรูปธรรม ท, ทั้งหลายท่าสี่ถึงความเป็นรูปเพราะสลายไปเนี่ยนะควารูปก็คือสลายไปมันถ้ากําหนดรู้ท่าสี่แล้วรูปที่เหลือซึ่งถูกท่าสี่นั้นครอบงำจิตซึ่งยังรูปธรรมนั้นให้บังเกิดขึ้นชื่อว่าอารูปธรรมส่วนสัมปยุต ธ, ธรรมคือเจตสิกทั้งหลายก็เกิดร่วมกับจิตเหล่านั้นเหล่านั้นถ้าพูดมหาภูตรูปสี่ที่เป็นท่าสี่ปั๊บรูปที่เหลือก็ชื่อว่า แสดงหมดแล้วเนี่ยนะส่วนจิตที่เป็นสมุทฐานให้วายโยท่ากแผ่ไปจิตและเจตสิกเหล่านั้นก็ชื่อว่ากล่าวหมดแล้วรวมความว่าสรุปเลยนะรวบรัดเลยรูปธรรมและอรูปธรรมเหล่านั้นย่อมไม่ถึงประการอื่นโดยอาการทั้งหลายมีการนาไปและนํามาเป็นต้นนอกเหนือไปจากรูปธปรรมและอรูปธรรมย่อมาทั้งหมดเนี่ยนะ ไปที่ไปที่มาขาไปคามาก็ความเป็นไปแห่งรูปนามกระแสแห่งรูปนามที่ไหลสืบเนื่องอย่างไม่ขาดสายรูปถึงความนับว่าเป็นรู ป, ปขันนามคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็คือความเป็นไปแห่งขันห้าความเป็นไปแห่งขันห้าตั้งแต่เกิดเรียกว่าชาติเป็นไปสืบเนื่องเรียกว่าชราการแตกทาลายแห่งขันห้าเรียกว่ามรณะก็คือชาติชราและมรณะ การเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมตั้งแมีชาติชรานี่คำเป็นทุกขลักษณะมรณะ น, นี่เป็นอนิจจลักษณะใครมีอํานาจขอที่เกิดแล้วอยากแก่ที่แก่แล้วก็อยากตายใครมีใครมีอํานาจจริงไหมในสิ่งที่ที่ในนามธรรมารูปธรรม ท, ที่เป็นขันเหล่านี้ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายเนี่ยนะมีพูดแบบเป็นการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความดํารงขึ้นแห่งทุกข์ซึ่งไม่มีผู้ใดมีอํานาจจัดแจงโดยแท้จริงเลยก็ได้ว่า สิ่งนั้นแหละเรียกว่าธาตุทั้งหลายที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเพราะมีแต่ความสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมีแต่ความน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะสมมติถ้าเราแบบยกมือขึ้นแล้วมองทุกอย่างในในเนื้อเรามองทะลุกโปร่ปปรงหมดเลยเนี่ยนะปั๊บมองแบบภาพ X เอ็กซเรย์เราจะน่ากลัวไหม มองทะลุหมดเลยมองทะลุปรุปรงแบบมองออกหมดตั้งแต่นเนี่ยนะตั้งแต่นขนหนังแล้วก็มันค้นมันเลวมันค้นต่อมเหงือ่อแล้วก็มองออกจนถึงมองกล้ามเนื้อมองกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นมองถึงกระดูกมองเส้นเลือดมองที่มันไหลเวียนนะมองออกทั้งหมดทะลุโปร่ปรงหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะจ ะ, จะน่าชอบหรือน่ากลัวนน่ากลัวเลไรหะเนี่ย